พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมเมษายน2557ัเมีชื่อเรื่องว่าจุดยืนหลวงพ่ออินทวายเกี่ยวกับเจดีหลวงตา วันนี้เป็นวันที่สามเมษายนพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อเองเอก็ได้ไปไประชุมเนะาะข้าราาญาติโยมลูกหลานถ้าไม่พูดให้ฟังก็ลูกหลานไม่รู้นะหลวงพ่อฉันจะขันเสร็จแล้วก็ออกไปไประชุมที่โรงพยาบาลอุดรธานีประชุมเรื่องมูลนิธิมูลนิธิของหลวงพ่อที่ ตั้งขึ้นมาเมื่อเราไปมอบอาคารตึกหนีไฟที่โรงพยาบาลประกาศว่าจะตั้งมูลนิธิจากนั้นมาหลวงพ่อก็อประชุมพอเสร็จงานนก็ประชุมฝ่ายแพทย์ฝ่ายพระฝ่ายคณะสัตยาญาติโยมจากนั้นก็เลือกสรรบุคคลคือมูลนิธิเนี่ยเขาให้ให้ได้ส5คนนะบริหารหลวงพ่อก็เอา พระลูกศิษย์ลูกหาลุงพ่อเนี่ยแหละห้าองค์แล้วก็โรงพยาบาลสคนและศรัทธาญาติโยมข้างนอก6คนรวมแล้วก็เป็น15คนพ่อแต่งตั้งมีชื่อเสียงเรียบร้อยเราก็เสน อ, อตั้งมูลนิธิกวโชคดีท่านนายอำเภอนคมนายอำเภอกลุ่มพระวาปีเนี่ยท่านรักษาการประลัดจังหวัดประลัดจังหวัดอุดอร แล้วก็ท่านผู้ว่าของเราก็เป็นผู้มาวัดของหลวงพ่อเอกท่านก็รู้จักปฏิปทาหรือแนวความคิดของหลวงพ่ออีกถึงจะให้มูลนิธิมาก็คงจะไม่ออกนอกลู่นอกทางฮะแต่ท่านก็เสนอขึ้นท่านผู้ว่าจากนั้นก็ส่งหนังสือไปทางกรุงเทพไม่ถึงสองอาทิตย์นะมูลนิธิของหลวงพ่อตกมาเลยได้มูลนิธิเมื่อวันที่ยี่บด เมษาเนี่ยมีนา28มีนาที่ผ่านมาแต่เมื่อวานก็เลยเพอมูลนิธิตกมาแล้วก็เรียกประชุมเป็นนัดแรกเมื่อกลตั้งรัฐบาลใหม่เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วก็เลยตั้งรัฐบาลเลมื่อวานก็เลยตั้งรัฐบาลก็รวบรวมจตตปัจจัยเงินที่เหลือจากตึกหนีไฟที่หลวงพ่อเป็นประธานเจ็ดล้านกว่า แล้วก็เงินที่ได้ในมอบอาคารวันนั้นอีกและกับรัายาญาติโยมถวายอีกรวมกันแล้วก็ได้เงินทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็เป็นมูลทิ่ฐิสิบเอ็ดล้านนะคณะสัทายาญาติโยมลูกหลานาที่จะดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอุดรไม่ได้เลือกวันนี้กายนะั้นนี่กายนี้ไม่เลือกววัดพระวัดบ้านวัดป่านะ อแล้วก็ชีด้วยคุ้มของชีด้วยนะทั้งชีทั้งเนนทั้งพระถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในเขตเมืองอุดรไม่ว่าพระลาวพระขะมຈพระยวนพระจีนที่เบตพระม่ารัางกาอะไรก็ตามถ้ามาบวชแล้วก็ไม่มีศรัทธาญาติโยมดูแลข้าเอาเข้าวม้าแล้วกันเท่าไหรใช้มูลนิธิน่นะดูแล แต่ก็ไม่ใช่จะมากนะเพราะว่าของเราก็ยังน้อยอยู่ให้เท่าที่จําเป็นอย่างพระบางองค์ในเขตเมืองอุดรในท้องถิ่นของเราพอสงมาเจ็บไข้ได้ป่วยพอหายจากไข้าจากป่วยแล้วเนี่ยไม่มีเงินกลับวัดก็มีนะคณะสัต ย, ยาญาโมลูกหลานถ้าเราอยู่อย่างนี้เหมือนจ ะ, จะไม่มีอย่างนั้นแต่มันมีพยาบาลบอกว่าจะทายังไงได้ครับ แล้วพวกผมก็ต้องแชร์กันแล้วแต่นคนละห้าคนละสิบเพื่อนส่งหลวงพี่หลวงปู่หลวงอากับวัดของท่านเพราะท่านไม่มีเงินไม่มีเงินค่ารถนี่แหละอันนี้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก่อนไม่น่าจะเกิดขึ้นในเขตของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อจึงลิขตั้งมูลนิธิขึ้นมา เ, เพื่อดูแลพะสสงอาพาธบางทีก็ค่าอาหาร เมื่อเมื่อหลงตาหลงตาเจ้าอาวาสวัดนะป่วยก็มีพระมาเฝ้าองค์สององค์เขาก็ให้แต่อาหารพระป่วยพระสององค์นะ่ะจะทานอาหารที่ไหนลงไปบินทาบาทไหมทกเขาจะให้หรือมาให้ก็ไม่รู้ทีนี้ศรัทธาญาติโยมก็ไม่มีบ้านนอก น, ะนี่แหละหลวงพอ่อทางโรงพยาบาลก็น่าจะเอามูลนิธิของเราเลยเลี้ยงพระ ที่มาเฝ้าป่วยด้วยแต่ละวันนี่แหละอันนี้คือหลวงพ่ออยู่ป่าโรงพงาบานท่นลูกหลานอาจจะคิดมากก็ได้แต่หลวงพ่อคิดว่าคิดไม่ผิดก็แล้วกันนะเพื่อเพอราหลวงพ่อทํามาแล้วโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นอันนั้นก็หลวงพ่อเป็นประธานนะคณะสัายาธิโยมลูกหลานเป็นประธานมาสองสมัยแล้วสมัยหนึ่งสี่ปีอันนี้จะกําลังเข้าสมัยที่สอง อันนี้ก็หลวงพ่อเป็นประธานพอได้ทําจุดนั้นแล้วเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสน า, ศ า, ศ า, ศาต่อพระพุทธศาสนาพระนักพรตหลวงพ่อจึงได้ได้ลงจึงได้ตั้งมูลนิธิขึ้นมาอันนี้ก็เมืองอุดรของเราเนี่ก็นี่แหละแต่ เ, เมื่อวา น, นก็ไปชุมกันพอตั้งมูลนิธิขึ้นมาเขาทางธนาคารเขาก็มารับแหม โอนที่มันเป็นอยู่ในธนาคารเขาแ ล, ล้วล่ะเขาก็มาเปลี่ยนใหม่หลวงพ่อก็เลยอมืมันอยู่ในบัญชีจำนวนอยู่ในบัญชีแต่ว่าตัวที่มาใหม่เนี่ยหลวงพ่อเซ็นรับนะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้รับเงินมูลนิธิต้นของมูลนิธิเนี่ยหนึ่งล้านบาทครับหลวงพ่อจะเอาเงินจากที่ไหน หลวงพอ่อเออหลวงพ่อรับกันแล้วกันตรงพ่อรับกันแล้วกันเงินหนึ่งล้านน่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เขาก็ขอไปทางขอไปคือหลวงพ่ออินเป็นคนเซ็นรับว่าจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านฮะทีนี้เขาก็ขอไปตกมาตกมาวันที่ยี่สบแปเมื่อวานเขาก็เลยประชุมกันว่าเงินจำนวนห น, นึ่งล้านน่ยจะต้องโอนเข้ามา ในบัญชีมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิแล้วนะท่นแต่ก่อนทุนนิธินะที่เราฝากไว้ก่อนนะทุนนิธิบันนี้เป็นมูลนิธนะิถูกต้องตามกฎหมายแล้วต้องมอีผู้ตรวจบัญชีมีบริษัทตรวจบัญชีค่าใช้จ่ายแต่ละแต่ละปีรับยังไงจ่ายยังไงอันนี้ก็คื อ, อถูกต้องหลวงพ่อจะโอนมาเมื่อไหร่ ไม่ให้เกินหนึ่งเดือนนะหลวงพ่อเออเอาได้หลวงพ่อก็เลยเปิดบัญชีไว้เดี๋ยวนีเปิดเมื่อวานเป็นซูนซูนซูนมูลนิธิฝากประจำที่ให้ฝากประจำหนึ่งล้านหนึ่งล้านที่ต้นหนึ่งล้านเปิดเป็น0 0นซูนไว้ก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อกลับขึ้นมาจากกรุงเทพซะก่อนวันเที่ยว วันที่7ดที่ปช่วงนั้นอาจจะเลยเลยกกรานไปสักหน่อยก็ได้หลวงพ่อจะโอนเข้ามาจะโอนให้แต่หลวงพ่อเข้ามาพิจารณาดูแล้วเหมือนกันมูลนิธินีเป็นมูลนิธิของพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกนะเป็นมูลนิธิชื่อหลวงพ่อโดยโดยตรงเลยที่แรกก็จะเอาชื่อหลวงตามูลนิธิหลวงตามหาบุญญสัมปันโนแต่คณะแพทย์เขาไปหายาติของหลวงตา ก่อนที่จะตั้งมูลนิธิเนี่ยต้องไปตกลงกับญาติซะก่อนนะญาติผู้ใหญ่ของหลวงตาว่าขอใช้ชื่อและนามสกุลได้ไหมนามสกุลโลหิต ด, ดีหลวงตามหาบัวยาศัสัพปนโนวงเล็บโลหิต ด, ดีทั้งญาติลูกหลานเขาอกไม่น่าไว้ใจเพราะว่าถ้าเอาไปชื่อหลวงตาไปแล้วอาจจะไปตั้งมูลนิธิหาแผ่หาขอ ทั่วบ้านทั่วเมืองจะทำให้เสียหายท่านก็เลยไม่ให้เขาก็เลยไม่ให้ระงับไว้ก่อนหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่ อ, อถ้าไม่ตั้งเฉลยมันก็คงเดินไม่ได้เอาถ้าชื่อลุงพ่อหลวงพ่อดูอยู่แล้วเอาชื่อลุงพ่อเองก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อลุงพ่อนะแต่หลวงพ่อก็มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าหาว่าต่อไปภายภาคหน้า คณะสถาญาติโยมลูกหลานเห็นพ้องต้องกันหรือญาติของหลวงตาเห็นพ้องอาจจะตั้งชื่อว่ามูลนิธิหลวงตามหาบัวยาณสรรมปนโนหลวงพ่อก็พร้อมที่จะยบมูลนิธิของหลวงพ่อเนี่ยเข้าบูชามูลนิธิของหลวงตาไปเลยพอหลวงพ่อไมไ่ได้ต้องการหน้าต้องการตาต้องการสื่อเสียงอะไรมีจะเชิดชูบูชาเอ องหลวงตาเท่านั้นแหละถ้า พ, พูดถูกกันแล้วก็เยุบไปไม่เป็นปัญหาเนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็พูดทำความเข้าใจกับคณะกรรมการาทุกคนที่กรรมการมูลนิธิทั้ง15บห้คนน่นะแนะแต่นี้หลวงพ่อก็นี่แหละรับไว้ในมูลนิธิจุดตัวนี้หนึ่งล้านบาทเนี่ยเพราะนั้นพวกเราที่ได้ยินนี่นะ หลวงพ่อไม่ได้ขอทุกคนให้ถึงล้านบาทหรอกอคนละเฉลิงคนละห้าสิบสตางค์ก็ได้อคนจะมาตั้งกองทุนหลวงพ่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกลูกสำหพวกเราลูกหลานนะแต่ว่าลูกหลานไม่ให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ต้องหาให้ได้นะ่ะหนึ่งล้านบาทหลวงพ่อมองมองเห็นแล้วฮตรงนั้นตรงนี้มีแล้วอแต่ว่าถ้ามาพวกเราร่วมสมทบมา ไม่ให้หนักใจพูดให้ฟังไม่ต้องหนักใจเรื่องการทำบุญแต่ไม่ทำจะเลยไม่ได้ไม่น่าจะถูกนะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตแต่หลวงพ่อคิ ด, คดว่าการช่วยสงเคราะห์พระสงฆ์จุดนี้พระสงฆ์อาพาธจุดนี้เป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เข้าบัญชีของใครบัญชีของบัญชีต้นนี้ทั้งสิบหทั้งหกคนนะ หลวงพ่อตั้งชื่อหคนเลยเป็นผู้ดูแลบัญชีมีชื่อในบัญชีตรวจสอบมีผูต้ตรวจสอบบัญชีอีกต่างหากแต่เงินที่ที่หลวงพ่อถวายเนี่ยนะหลวงพ่อตั้งเป็นกองทุนตัวนี้นะมูลนิธิตัวนี้คือเป็นหลักแต่ถ้าหากว่ามูลนิธินี้ล้มละลายโดยประการใดก็ตามนะเงินหนึ่งล้านเนี่ยต้องเป็นของรัฐบาลเป็นของหลวง แต่ถ้าว่าเงินนอกนั้นเป็นเงินของใช้ในมูลนิธิถ้าหากว่าล้มละลายประการใดก็ตามทางคณะกรรมการจะทำยังไงจะยกให้กับใครกับมูลนิธิไหนก็ได้แต่สุดแท้แต่แต่ว่าหนึ่งล้านเนี่ยปว่าถอย่ถอนไม่ได้เป็นของรัฐบาลนี่แหละหลวงพ่อเออเอ า, เ, อาเร า, เาถ้าว่าเราตั้งเป็นหลักแล้วเรากินแต่ดอกผล แต่ต้นทุนถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเอาวมอบไปรัฐบาลไปเลยนั่นแหละหลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะอันนี้นก็ขอบอกเก่าให้คณะสัายาธิโยมทั้งหลายได้ทราบและอีกอย่างหนึ่งทนีพวกคณะสัตย า, าติโยมทั้งหลายก็คงอยากจะทราบอยู่เหมือนกันว่าเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยเป็นยังไงว่าทำไมไม่สร้างสักทีว่าแต่เมื่อว่าเมื่อวันที่ 20กว่านะมาที่27่ส2บ2จ้าหเในช่วงนั้นก็มีการประชุมหาลือกันล่าลายเซ็นคูบาอาจารย์เพื่อยืนยันสร้างที่จุดไหนแต่หลวงพ่อไม่ได้เซ็นนะลูกหลานคณะจทธายาโยมแต่หลวงพ่อบอกว่าขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถูกกันแล้วนะหลวงพ่อเห็นด้วยเห็นด้วยกับ การถูกกันถ้าทะเลาะกันหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะันนั้นข่าวที่แล้วในท่านอาจารย์รัตนะเป็นคนอ่า น, นาาท่านรัตนะอ่านแต่วันนี้จะให้ท่านเสียงอ่านนะท่านเสียงอ่านดูสิอ่านจำเนาที่หลวงพ่อยืนยันให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบจุดยืนของหลวงพ่อของเราเ ค, คืออะไรจุดยืนของหลวงพ่ออินของเราเนี่ย ในการสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเนะี่ยคืออะไรนะแต่บางคนก็อาจจะค่อยๆคุย้คยเขวหลวงพ่ออินเป็นผู้คัดขวางคัดค้านหรือเปล่าเนะีนะ่ยพวกเราก็ไม่สบายใจเพราะเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะอันนี้ผลนั้นอยากจะให้พระท่านอ่านให้ฟังทนะี่ท่านเสียงอ่านให้ฟังให้พวกเราได้ฟังๆทั่วหน้ากันเพราะอันนี้จดหมายนะั้นไม่ใช่ความลับนะเพราะหลวงพ่อยื่นในที่ประชุมเลยในวันที่26มีการประชุมนะ หลวงพ่อยื่นในที่ประชุมคณ ะ, ะสงฆ์เลยแต่หลวงพ่อไม่ได้ไปนะหลวงพ่อส่งพระไปหกรูปวันนั้นนะอ่ะอ่านหน่อยสิกราบโคกาสครับผมจดหมายเขียนที่วัดปานาคำน้อยตำบลบ้านก้องอำเภอนายยงจังหวัดอุดรธานีวันที่26มีนาคม2557กราบพระเดียงหลวงปู่บุญมีปริบุญโนหลวงปู่ลีกุศละทะโร พระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดพระเทรานุเทระพร้อมคณะสงฆ์ศิทธยานุสิทธอง์หลวงตาที่เคารพอย่างสูงตามที่พระอาจารย์สุดใจทันตมโนในานามคณะสิทธยานุสิทธหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนได้ส่งหนังสือให้พระมหาเทระศิทธยานุสิทธข อ, องหลวงตาลงนามยืนยันสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดี พระธรรมวิสุทธิ์ที่มงคลหลวงตาพระมหาบัวยานะสัมปโนตามเจตนารมขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวที่เมตตายอมรับคำประรณาถวายที่ดินสามสิบเอะไร่ของนามประภัยพรเตชะติรยากรมีพลานิสงสืบเนื่องมาเพื่อการนี้นั้นกล่าวกับผมเองในฐานะที่เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้หนึ่ง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 รวมทั้งไม่ได้ครอบคุมสภาวะแวดล้อมแห่งการเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเข้ามาประกอบพิจารณาด้วยแล้วก็อาจทำให้พวกเราได้รับภาพรวมหรือผลสรุปไม่ชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็นก็อาจเป็นได้ก้าวกับผมขอการาบพะเดียงต่อคณะสงฆ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกันว่านับตั้งแต่องหลวงตา ย, ยัางทรงท่ดทรงขันก้าวกับผมเอง และคณะสงฆ์สิทธยาุสิทธ์มีเจตนารมอย่างแรงกล้าที่จะได้มีโอกาสสร้างเจดีถวายพ่อแม่ครัวอาจารย์โดยได้มีโอกาสเข้ากาบเรียนขออนุญาตต่อองค์หลวงตาโดยตรงหลายวาระด้วยกันที่กุฏิพ่อแม่ครัวอาจารย์ณวัดป่าบ้านตาดอย่างเช่นวันที่14ตุลาคม2549และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2549ตามลำดับเพราะความประจักษ ถึงเมตตาคุณอย่างสุดซึ้งของพระแม่ครัวจารย์ที่ได้อนุญาตให้ขหาบุดีท่านหนึ่งและคณะทำการก่อสร้างเจดีมหามงคลบัวน้อมถวายที่ดินที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในขณะนั้นนอกจากการเข้าขออนุญาตต่อองค์หลวงตาดังกล่าวในขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทุกๆด้านควบคู่กันไปเพื่อใหการก่อสร้างเจดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมและคู่ควรสมฐานะ องค์เอกรามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบันเช่นการเตรียมการหาทุนในการก่อสร้างการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างการจัดหาทีมสถาปนิกออกแบบทีมวิศวกรเพื่อการควบคุมการก่อสร้างเป็นต้นโดยการเตรียมจัดหาที่ดินก็ได้รับการเสียสละจากผู้บริจาคจากคณะสิทธิ์ผู้ใหญ่ที่มีความเคารพนับถือองค์หลวงตาอย่างยิ่งได้บริจาคที่เป็นการเฉพาะกิจเพื่อการนี้ ไม่ได้ทำการเรียอะไรที่เป็นการทั่วไปอย่างแต่อย่างใดจนได้รับที่ดินจำนวน61เอไร่มูลค่า12ล้านบาทถวายเป็นกรรมสิทธิ์แก่วัดป่าบ้านตาดโดยคุณสมบัติเฉลิมวุฒินันเจ้าสัทธาใหญ่และคณะเข้าถวายโฉนดต่อองค์หลวงตาโดยตรงเพื่อทำประโยชน์ใช้สอยสืบไปการทั้งหลายทั้งปวงก็ด้วยมานึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ ที่มีต่อกล้าวกับผมโดยตรงในฐานะที่องค์ท่านได้เป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาควบคู่กับคุณธรรมวิชาจรณะสัมปโนโมาตั้งแต่บวชได้เพียงปัญษาสี่ได้เข้าอยู่จำปัญษาภายใต้ร่มเงาขององค์ท่านณวัดป่าบ้านตาดติดต่อกันโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ถึงพุทธศักราช2525เป็นเมตตามหาคุณอันสูงล้น ยากที่จะทดแทนพระคุณได้ด้วยบุญคุณอื่นๆก็คิดเสมอแต่เพียงว่าการทำเจดีถวายบูชาพระเดชพระคุณเป็นบุญอย่างสูงสุดยิ่งในฐานะที่องค์ท่านเป็นถูประหะบุคคลองค์เอกพระมหาบุรุษผู้สมควรสร้างเจดีถวายก็ได้พยายามรวบรวมจตุปัจในวัดที่เก็บรวบรวมไว้ในโอกาสต่างๆก็จะได้นามาถวายเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างในจานวน ห้าสิบล้านบาทต่อไปขณะที่มีการเตรียมการในด้านต่างๆเพื่อการก่อสร้างเจดีบูชาพระคุณดังกล่าวนั้นกล่าวกับผมก็ได้รับหนังสือคำสั่งของอุลงตาที่พิเศษหนึ่งทัพลงวันที่8เดือนกุมภาพันธ์5 5งมีสาระสข้อดังที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้นถึงกระนั้นก็ตาม องหลวงตาก็ยังได้มีเมตตาทำพินัยกรรมมอบหมายหรือระบุให้เกล้ากับผมเป็นกรรมการผู้หนึ่งในการจัดทำดูแลให้เป็นไปตามพินัยกรรมเกล้ากับผมเองก็ได้ทุ่มเททั้งกำลังแรงกายแรงใจกำลังจตุปใจัยทุกอย่างทุกประการร่วมกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกหมู่เหล่าสิทธยาณุสิทธ์ทั้งบรรพชิตและเครือหาดขององหลวงตา ทุกทนหน้าพร้อมเพียงกันจัดทํางานที่เห็นสมควรกระทำํำจนงานพระราชทานเพลิงศรีละสังขารสําเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีไม่ได้มีข้อคอรหาใดๆด้วยต่างตั้งใจทําเพื่อถวายบูชาพระคุณอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีกล่าวกับผมอยากจะขอการเรียนประเด็นสําคัญบางประเด็นที่น่าจะได้นํามาพิจารณาโดยสรุปได้ดังนี้ข้อที่หนึ่ง สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่แห่งใดนั้นขึ้นอยู่กับมติของหลวงปู่บุญมีปริปุญโนหลวงปู่ลีกุสละทะโลและพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดพร้อมคณะสงฆส์สิทยิอนุสิ์ทั้งบรรพชิตและเครืหัดขององค์หลวงตาทุกหมู่เหล่าที่จะพิจารณาหาหรือเห็นชอบร่วมกันหากเห็นจุดใดจุดหนึ่งที่นับว่าเหมาะสมสมควรแล้วกล่าวกับผมเอง เราพร้อมที่จะอนุโมทนาและยินดีสนับสนุนมติของสิทยิอนุสิทธิของลวงตาทุกหมู่เหล่าที่เห็นชอบร่วมกันแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่สองคณะสงฆ์น่าจะได้พิจารณาพระวินิชัยของทูกลกระหม่อมฟ้าหญิงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นบุตรบุญธรรมโดยการพิจารณาถึงพระมติ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 ของพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องพิจารณาประกอบด้วยกล่าวคือการก่อสร้างเจดีย์ประดิษฐานณนะสถานที่สำคัญที่วงการพระพุทธศาสนาตรักและให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือความสาคัญของสังเวชนียสถานสี่ตำบลดังเช่นในประเทศเนปาลอินเดียคือสถานที่ประสูตฐ์ตัดสรู้แสดงปฐมเทศนาปริญพาน รวมทั้งมะกุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงโดยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาเหล่านี้อย่างเช่นนิวาสถานณวัดป่าบ้านตาดนับเป็นจุดที่องค์ท่านถือกำเนิดวัดโยธานิมิตนับเป็นสถานที่ที่บรรพชาอุปสมบทวัดโดยธรรมเจดีนับเป็นสถานที่ที่บรรลุธรรมกุฏิพมนักจำพรรษาณวัดป่าบ้านตาดนับเป็นสถานที่ที่องค์ท่านทิ้งทาทิ้งขัน และเมนพระชถานสลีละสังขารก็นับเป็นสถานที่สำคัญควรแก่การสการะบูชาที่องค์ท่านเข้าสู่อนุปาทิเศ ส, สนิ พ, พานดังนั้นพระวินิจฉัยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ณสถานที่แห่งนี้ก็นับเป็นเหตุผลที่น่าจะนำมาพิจารณาด้วยข้อสกล่าวกับผมเองเห็นว่า ตนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาที่องค์ท่านได้มอบหมายไว้เกี่ยวกับการจัดสรีระสังขารและได้นําเงินบริจาคในงานสรีระขององค์ท่านทั้งหมดไปซื้อทองคําเข้าคลังหลวงโดยได้ทําหน้าที่ในส่วนนั้นๆอย่างสมบูรณ์แล้วส่วนเรื่องเจดี JD ก็ดังปาลบกับหมู่พวกเพื่อนไว้ต่างกรรมต่างวาระแล้วว่าองค์ท่านมิได้มอบหมายให้กระผมทําหน้าที่ในส่วนนี้แต่อย่างใด ดังนั้นการลงนามเกี่ยวกับเจดีหรือพิจารณาร่วมกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานที่จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เก้าวกับผมควรจะเข้าไปข้องเกี่ยวโดยตรงขอมอบให้เป็นภาระหน้าที่ที่คณะสงฆ์สิทธาอนุสิทธิขององค์หลวงตาทุกมูลเล่าจะได้พิจารณาหาหรือเห็นชอบร่วมกันหากได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้วเก้าวกระผมเองก็พร้อมน้อมยอมรับมติของคณะสงฆ์ ที่เห็นชอบร่วมกันนั้นแล้วและถ้าหากมีผู้ยกคำถามขึ้นมาว่าสนับสนุนการก่อสร้างหรือไม่ก็ดังที่กล่าวกับผมได้ประารณาต่อคณะสงฆ์ณสลาใหญ่บ้านตาดในวันเปิดโครงการการก่อสร้างเจดีเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2555เวลา16นาฬิกานั้นในการที่จะร่วมสร้างถวายจตุปัจจัยจำนวน50ล้านบาทเพื่อสร้างเจดีพ่อแม่ครูอาจารย์ ก็ น, นับเป็นเจตนาประสงค์เดิมของกล้าวกับผมอย่างแท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดวงเล็บเปิดเท่าที่กล้าวกับผมได้รับทราบต่างกรรมต่างวรรจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตากับพระองค์ท่านทราบว่าทรงมีพระประสงค์อย่างแท้จริงที่จะสร้างเจดีย์น้อมถวายณสถานที่ที่พระราชทานเพลิงศรีระสังถานของท่านพ่อเพราะจุดนี้ทรงเห็นว่า เป็นจุดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไปในภายภาคหน้าที่จะได้รับรู้รับทราบถึงความสำคัญของสถานที่ที่ตนมากราบไหว้สักการบูชาว่าเป็นอนุปาที่เสสนิพานเจดีนับเป็นมงคลสถานที่ยิ่งตราบนานเท่านานอีกทั้งเมื่อได้ทรงสร้างเจดีน้อมถวายในจุดนี้แล้วศาลาหลังใหญ่ซึ่งเคียงข้างองค์เจดี ก็นับเป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนกันให้ผู้ที่มากราบไหว้เจดีได้แวะพักอาศัยร่วมเงาภายใต้ศาลาหลังใหญ่ก่อนหรือหลังการเข้าไปกราบไหว้องค์เจดีอีกทั้งองค์เจดีก็มีขนาดเพียง9เมตรคูณเเมตรสูง38เมตรเท่ากับจำนวนมงคล38ประการสรุปก็คือเจดี JD, ทูนกระหม่อมทรงปาฏถนาพิพิธภัณฑ์เป็นความประสงค์ คณะสิทธิ์ขององค์หลวงตาดังนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์หรือหอธรรมที่ต้องการสถานที่ที่กว้างขวางเพื่อเป็นสถานที่แสดงชีวประวัติจารึกธรรมคําสอนแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลมาแล้วตลอดถึงแนวดําเนินโครงการช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกที่คณะสิทธิ์ได้ดูได้ศึกษาและได้รวบรวมไว้แล้วไม่เห็นชีวประวัติท่านใดในยุคปัจจุบัน จะเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าชีวประวัติขององค์หลวงตาไปได้โดยหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นลักษณะตัวอาคารหลังใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้สถานที่ที่กว้างขวางเพื่อบรรจุสารธรรมดังกล่าวให้พร้อมสับภายในสถานที่แห่งเดียวหากได้นำไปสร้างณจุดตรงที่คณะสงฆ์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ปักหลักไว้แล้วนั้นก็จะเป็นการถูกต้องดีงามตามความประสงค์ขององค์หลวงตาอย่างแท้จริงที่องค์ท่าน อยากจะให้ทําหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่อนุชนรุ่นหลังและบริเวณที่จะจัดสร้างนั้นก็เป็นบริเวณที่กว้างขวางเพียงพอเหมาะสมสําหรับการเป็นหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์พร้อมสถานที่จอดรถสถานที่พักอริยบุตรเป็นต้นเพื่อความสะดวกสําหรับกับผู้ที่มาทําการศึกษาเรียนรู้ในหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์อันจะได้นําไปเป็นคติตัวอย่างอันดีงามสอนลูกสอนหลานตราบนานเท่านาน แนวคิดเหล่านี้กล้าวกับผมขอกราบผดียงคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ไว้เป็นประกอบการพิจารณาต่อไปจึงขอกราบเรียนคณะสงฆ์มาเพื่อโปรดทราบทั้งนี้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควรด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกหนังสือปะหนาเขียนที่วัดป่านาคำน้อยลงวันที่27มีนาคม2อ5 7ย กาบเรียนพระอาจารย์สุดใจทันตมโนที่เคารพอย่างสูงกระผมได้แนบเอกสารที่ถวายไว้ณที่ประชุมเมื่อวันที่26มีนาคม2557มาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไปท่านพระอาจารย์อินถวายให้กระผมเรียนให้ทราบว่าเนื่องด้วยองค์หลวงตาไม่ได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์อินถวายทําหน้าที่ในเรื่องการก่อสร้างเจดีย์ดังนั้น การลงนามเกี่ยวกับเจดีหรือการพิจารณาร่วมกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานที่จึงมิใช่เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์อินทวายควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงท่านพระอาจารย์อินถวายจึงขอมอบให้เป็นภาระหน้าที่ของคณะสงฆ์ศิทญยาณสิทธิ์ขององค์หลวงตาทุกหมู่เหล่าจะได้พิจารณาหารือและเห็นชอบร่วมกันหากได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้วท่านพระอาจารย์อินถวายเองก็พร้อมน้อมยอมรับมติของคณะสงฆ์ ที่เห็นชอบร่วมกันนั้นแล้วจึงขอส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนมายังท่านเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปกาบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระรัตนะเคมรัตนูนีนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานถ้าว่าผู้ใดได้ยินทางไหนมาว่าหลวงพ่ออินเป็นผู้ขัดขวางขัดข้องเรื่องเจดีนั้นนะให้ฟังไว้ได้เนะี่ย หลวงพ่อมีเอกสารยืนยันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแตม่มันก็ไม่ไวยไม่ไววยเสียงสะท้อนย้อนกลับมาหาหลวงพ่ออีกหลายๆตลกเหมือนกันบางครั้งนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้อ่านให้พวกเราได้ฟังได้รู้ว่าจุดจืนของหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยมีจุดจืนอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าทางว่าคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่า เห็นพ้องต้องกันตรงไหนหลวงพ่ออินก็เห็นด้วยตรงนั้นฮะ ไ, ไม่ได้ว่าออไม่ได้ขัดไม่ได้ข้องเอาเลยแต่ข้อสำคัญถ้ากลุ่มไหนยังทะเลาะวิวาทกันอยู่หลวงพ่อไม่เห็นด้วยพี่น้องทะเลาะกันอยู่ ไ, ه, ไม่รู้จะลงถ้าลงข้างหนึ่งมันก็เวียงไปข้างหนึ่งถ้าลงข้างหนึ่งก็เวียงไปข้างหนึ่งเพราะนั้นยังไม่พร้อมเพียงสมัครีกัน หลวงพ่อยังไม่เห็นด้วยนะเรื่องเจดีเอาตอนนี้ไปรับพอนะัตต น, นีนะ